เวาทุกคนเป็นมีโอกาสมาพบคุยรุนดาลูกลัดทั้งหลายตามเดิมวันนี้กลนงเชียงตรงกับวันเสาร์ที่27มิถุนายน2530เมื <c oughs> ่อตอนบ่ายมีป่วยมากคิดว่าจะไปมีโอกาสมาคุยกับลูกพนดานตอนนี้อาการสงบนิดหน่อยก็มีโอกาสมาคุยกับลูกพนานตามปกติ เพ่าว่าเป็นการเล่านิธานสำหรับเสียงลกูกหลานที่รักโยมญาถือเป็นสำคัญแต่การป่วยของพ่อมันมีเป็นปกติเสียงคนป่วยก็เลยเสียงคนปกติในเมื่อคนไม่ปกติเสียงก็ต้องไม่ปกติอันนี้เป็นกฎธรรมดาของโลกที่รู้ก็จเจ้าจนแตกเป็นโลกมี้เป็นนิจจ์ คือมันไม่เที่ยงไม่มีการทงตัวไม่มีความแน่นอนหรือเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ทุกขังถ้าเรายึดถือมันมากเกินไปจิตใจก็เป็นทุกข์สู้วานเฉยไม่ได้ไม่จะเป็นอะไรเราทั้งมันอนัตตาในทุ่สุดมันก็พังทั้งหมดร่างกายก็พังเสียงก็พังถ้าเท่านามก็พังทั้งมไม่มีอะไรเหลือ ในที่สุดเราก็ถือการวานเฉยเป็นสําคัญการที่เราพูดแบบนี้กระทันหันที่เรายังโปรยอยู่ก็ว่าถ้าแรงยังมีอยู่บ้างก็ควรจะทํามื่การปล่การงานในข้างค้างจะลูกหล้ำทั้งหมดปล่อยการบ้านในข้างค้างเรวิชาความรู้ในข้างค้างไม่ตรวจดูตรวจสอบไม่ทบทวนไม่เมื่อความรู้ก็ไม่ครบถ้วนอย่างนี้เป็น เขถือว่าเป็นเอัเ ป, อปมงคลคำว่าอัปมงคลคือไม่ดีการงานทุกอย่างที่เราต้องทําต้องทําให้เสร็จวิชาวความรู้มีกี่วิชาต้องเรียนให้ได้เรียนให้รู้ได้รู้ดีอย่างเขาที่ใช้ได้ตารที่พระเจ้าสรัสว่าต้องแัดว่ า, านาคุลาเจกรรมันตายเอตามังคะวัตตมังการที่มีการงานไม่แค็งค้างาจะได้เป็นอัปมงคล การเพื่อสำหรับพ่องานนี้ไม่เกี่ยวเั็งานประจำเป็นงานีิเลยกถึงแม้ก็จะเป็นงานอาิเล็กแต่เป็นอาหารจิตของใจเ ข, จขบบาบรรดาลูกทั้งหลายอาหารใจก็เป็ของแหนเป็นเรื่องสำคัญมากที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัมเจ้สัม เ, อ, เอตนานเจตอาหารหมายความว่าอาหารของใจความจริงลิ้นก็แข็งเสื้อหัวกมัด เี่หอมไม่รับโทษไม่ชัด็้องกล่าวันนี้มาเล่านิทานกันเป็นให้อาหารทางใจสำหรับบรรลุลัรักทุกคนแต่นิทานวันนี้จะเป็นเรื่องของบาวพราพุธหรือว่าโลกพระพุธความจริงพระพุทธนี่ก็เป็นพระสเสวยยุค อ, องหนึ่งในตำราโหราชาสตร์ล่าว่าพระพุทธเป็นสมพเคระ ใ น, นหมายความว่าบุคคลใดมีพระพุทธเสวอายุบุคคลนั้นจะมีความสุขเพราะว่าพระพุทธเป็นผู้ให้ความสุขแต่ว่าพระพุทธจะเสวยอายุจริงๆ17ปีในช่วง17ปีนั้นก็มีพระอื่นแทรกถ้าพระดีเข้ามาแทรกก็เสริมความสุขให้มากขึ้นได้เออพระที่มีความเล่าร้าน้ามาแทรก ก็จความทุกมาเติมในความสุขสุขบ้างทุกบ้างเยือกเกย็นบ้างร้อนร้อนบ้างสงาามมติว่าธาตุวอาทิตย์มาแทกพระพุทธพระพุทธมีความเยือกเย็นมีความไมีสุขถ้าพระจะว่าอาทิตย์ร้อนคนดีถูกพระอ า, า, าทิตย์แท้ก็นหนาวหนาวร้อนร้อนดีบงไม่ดีบ้าสุขบ้างทุกบ้าง้าแุพระจันทร์มาแท้พระพุทธกับพระจันทร์รักกันมากสาเสมอเคาะเหมือนกัน ความสุขที่มีจากพระพุทธให้กอมีความสุขยิงยิ่งขึ้นไปถ้าพระอังคารคือจมอขขมเถรไดแห่งสงครามทีพราพระเจ้าแห่งสงครามแค้อคารมีถุกร้รายมากสงความได้ร้อนมากตามที่บรรดาฤกษ์รักกันหลายทุกคนทราบอยู่แล้วเมืวันบานนี้ก็จะทําให้เราสุขเตี้พระพุทธมีความเ ย, ยียกเย็นอยูมีความร้นอนอขึ้นมา เกี่ยงความวาควาสุขความทุก ป, ปัจจุบันกน็มันเองเพราะพระหัตเข้ามาแทรกท่านเป็นผู้ใหญ่พระพุทมีความเยื่ยมเยีมมีความมาสุขแล้ผู้ใหญ่เข้ามาแทรกก็ทำให้มีความสุขยิ่งขึ้นถ้าพระสุขเขามาแทรกก็มีความจะมีความสุขกนมีความร่ำรวยมากขึ้นถ้าพระสาวเข้ามาแทรกหลกรักยิ่งอีกสาวไมเ่เติบโต โอาาแต่ราโอ้ก็มาแทรกกับตาเป็นพังเกเรโอ้โนี่ขี้เมาออสายม่เก่งโตเรื่องความว่าความทุกขึ้นมาแทรกความสุขในเมืม่อดาวพระเราะเขากล่าวถึงพระพุทธว่าเป็นดาวที่ให้ความสุขเชนั้นวันนี้จะไม่ได้พูดถึงดาวพุทธก็ต้องพูดกันได้ให้ความสุขที่ความสุขถ้าจะมีขึ้นมันได้เป็นดาวลูกหลานที่รักมันแต้มมีสิ่งที่มีชีวิต ความจริงดาวพระพุธนี่ถ้าตามดาราศาสตร์หรือว่าเราที่เราสองกล้องดูหรือาใช้เครื่องเลียาสาตเขาจะเห็นมันมลุกขึ้นอย่างก็ไม่ทราบบางทีที่บอกว่าไม่ดาวพระพุธไม่มีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าเรื่องที้ทานในบรรดาลึกลึกขา้างในย่า่สิ่งที่มีชีวิตตะกี้แสนรับพึ่งก็ดาวที่ทานทุกอย่างหนึ่งก็แค่ว่าวันนี้ ดาพระพุทต้องมีเสียงที่มีชีวิตเพราะว่าทั้งหมดนี้ที่เรามาไปเรื่องพระนิทานคนดาท่านผู้ฟังก็ดีท่านผู้อ่านก็ดี <S <S 1> <S 1> จอาย่าถือเป็นบรรกาถ้าถือเป็นบรรกาท่านจะกลุ้มใจตายก็จะเล่ากันต่อไปว่าสุไลคนสวยขึ้งอายุยากกว่าห้าปีซึ่งมีความกระตือรือร้นสำหรับพระจิรสีคือพระพุทธเจาพะธรรมแลพระอริยาสงฺ ไม่สงสัยในความดีของท่านมีความเคารพนับถานมากไม่ก็มีสิ่งเบญสุดมีกรหมดสิบเบญดมีความกตัญโูรู้คุณตวิดามันดาต่อท่านพูมีคนวันนี้จุไรหลายจากการทำบ้านกลางประกานบ้านสดนม่อยนแมแพระพุทธรูปมีก็เลื่อมถึงพระพระพุทธรูปมีก็ชี่นบาน เม่อเล็งตาดูเระพุทรูปแล้วก็หลับตาเ น, นี่ยเปภาพท่านภาพก็ติดใจผ่อใสกำลังใจก็เป็นสมาธิสมาธิส่วนตเป็นกลังค้นชานในกาลังคุ้นชายเกิดขึ้นกาลังข้อพิญญาก็เกิดขึ้นทาเลงที่แมท่า น, ทา น, นงา ท, านาที่แ่งเผยใจทต่จิตใจที่เคก่อนว่าวดาวพระพรุธเป็นไงเวันานี้เราไปดูพระดาวแฝงคาน การคานที่ชาโลกเขาเรียกว่าเส้นประเจ้าพูดเจ้ า, างสงครามและเส้นพระเจ้ า, างสงครามคือว่าถ้าดาวอังคารเสมียเรื่อของประเทศใดประเทศนั้นต้องเกิดสงคราม <c oughs> ในสงครามภายนอกกับสงครามภายในสร้างความได้ร้าให้เกิดกับคนในประเทศนั้น <c oughs> แต่นี่สำหรับดวงดาแรกขาดจะมีสิ่งที่เป็นแสนยานภาพหระออาวุธปุธกประการขนาดทหารเยอะมา เการสงครามจริงๆโลกรักไม่ใช่แต่ต้องการอาวุธอย่างเดียวหรือไม่ใช่ว่าต้องการแต่ทหารอย่างเดียวหรือ่าต้องการจะพาะทหารอาวุธทั้งสองอย่างก็หาไม่ได้ <c oughs> สงครามจะท้องเดยไม่ได้ต้องเอาหารเดินฉะนั้นในสงครามต้องมีอาหารเคื่องซักสินฉะนั้นโลกรัง่งคันและดาวรัง่งคันยังมีทองคํามาก มีทองขาวมากมีเงินมากมีเพชรนุ่งดินดามากและมีความสำคัญด้วยมีแรวถ้าที่มีราคาสูงสุดดินดามแรงขาที่ว่าเป็นพลาีิการของสองครามขอกองทัพกองทัพจะไปไหนอาหารต้องตามไปด้วยทรัพย์สินต้องตามไปด้วยแต่าขาดอาหารขาดทรัพย์สินกองทัพก็พัง น, นั่นหายถึงความลูกแพ้ เป็รื่องความว่าโลกว่างคารเป็มไป้วสันภาวุแม้เป็มด้วยสเบียรอาหารม่ว่าเมเนือยก็มีหลักราลาีิการก็มี <c oughs> แต่นี้ก็เราว่าถึงเวลาประสุกรน้องแม่โดไหคิดทบทวนไปทบทนมาก็ว่าอังคารเป็นดาวสงครามวันนี้เรายอยาจะดูดาวพระพุทธเราคิดไว้ก่อนก่อนที่บ้างระรู้รื พอจิตเข้าไปสมาธิสมบูรณ์แบบกันท้ายัางไม่คิดว่าจะไปจิตก็หลุดไปทันทีพร้องกบโดนใจเห็นภาพพระอุูหน้าแจ่มใสมากเป็นกายคลึกขณะที่จิตหลุดลอยไปก็ปรากฏว่าเป็นลอยอยู่เหนือโลกประภุดในตอนนี้บรรดาลูกหลานท่รกจุรายดีเสียงพระทำตรักว่าเจอราลูกรักลูกมีความดีมาก เราเมื่อทําการบ้านสขขนะที่ทำการบ้านก็ดีรับแทงคําสั่งขอ ง, ขงครูบาอาจารย์ก็ดีรับคําแนะนํนตาตักเตือนจากสอนเขาเดามัมานด า, นานก็ดีลูกสามารถรับตัววันได้อย่างดีคําว่ามีวนเป็นปคุณชาติกั้นความดีเราอย่าให้เ่าไป <c oughs> ขอ้อนีมีวันยุบแล้วเป็นคนนั้นเป็นเพื่อกินเหล็อยากที่ทาปัญญายน่อหลังมีวันก็คือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงร้องขึง้นหอมด้วยอร่อสมบัติสมัติว่างเพียบในกาลีสองเร์ไม่พอใจในกาลีสามเนี่ยในกาลีสี่จิตพุ่งสร้างเกินไปไม่ยอมรับเจื่อจดจำคำสอนในกาลีห้าสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงคนไม่คน อารมณ์เลวๆอย่างนี้ไม่มีในจิตใจขคนจะไหลลูกลักเวลารับคําสอนฉะนั้นเวลาที่มันเลอะผ้าพระพุอพรูปอารมณ์เลวอย่างนี้จะไม่ปรากฏในจิตแม้อารมณ์เลอะห้ารายการไม่ปรากฏในจิตจิตก็เป็นสมาธิจิตสะาาตอาดความเป็นทิพย์ก็เกิดกําลังให้ความเป็นทิกย์ก็เกิดฉะนั้นคนไหลลูกลักทั้งทๆทุกอย่างไม่คิดว่าจะมาโลกกระพุท แต่ก็สามารถมาถึงได้โดยจำเลยว่าคนที่มีความเคร่งในฌานก็ไม่ต้องภาวนาเพีย <c oughs> งแค่นิดแ่วจะต้องการไปไหนจะทราบอะไรก็ตามจิตจะรวบวมกําลังใจทันทีแต่ที่วันเองโดยอัตโนมัติจิตสสวงแล้วก็จะถึงภาพนั้นทันทีอย่างของโอกไม่อย่างช้าไปแต่ความจินก็อย่าเร็วยาวเร็วกว่าหลายๆคน แต่ถึงนั่งก็ดีอย่างชาติไปจงยามด้วยพลกำลังใจเป็นสมาธิให้จิดสะอาดจิเสมอ <c oughs> นั่นคือไม่สนใจการอื่นนอกจากจับพระหรือคำภาวนาหลาังจากนั้นพระท่านก็จับและลูกรักจงดูขนาเรืองดาวที่เห็นมืดกจะเลกที่เห็นมืเป็นดวงดาวพุทธก็นโลกพุทําวยาพุทธพระแต่แรู้ได้เบิกบังแล้วความจริงลูกรักจะรับ ง, งทุกคน วานพุทธนี่เขาใช้แพรทองสกดเฉยๆแต่พุทธะที่เราเรารู้ได้เบิกบานแล้วก็ดีรู้ก็ดีไม่ก็มีแพรสะกดพรทองแต่ไท้ายกํากับโชว์เข <c oughs> าเรารู้ได้เบิกบานแล้วเราก็ใช้เป็นแค่เสมอว่าพุทธะเหมือนกันเมื่อเมื่อพุทธเหมือนกันก็ต้องเรารู้ได้เหมือนกันไม่อย่างนั้นมิทานเรื่องนี้ก็ไปไม่อด ในเมื่อดาวพุธเป็นดาวรูดาวรู้ในสมัยความต้องตัดอารมณ์ที่ไม่รู้เจ้าจงดู้ว่าดาวพุธถ้ามองดูดาวพุธแล้วก็จะรู้ทุกอย่างด้านหน้าของดาวพุธคือด้านหัวก็ถือว่าด้านหัวก็ด้านหางด้านหัวขดาวพุธเป็นดานวโคจรแรกเกิดจากบ้านเรือนบุคคลและต้นมไม้แต่ด้านหัวขดาวพุธอยูใกลด้ดวงอาทิตย์มาก คำว่าอยู่ใกล้ดวงทิตย์ไม่ใช่อยู่ชิดยังไกลแต่แสงไฟที่ห้อมลนออาทิตย์เยอะหลายหลายล้านโยดรับเป็นล้านล้านโยดแต่หลายๆล้านโยดไกลมากแต่ว่าการมองดูโลรักันมองดูจากที่ไกลของไกลก็เห็นว่าไกลเป็นอย่างเมฆขาวก็ดีเมฆดำก็ดีขึ้นเวลาเวลาอากาศถ้าเรามองจากพื้นดิน <c oughs> จะมีความรู้สึกจะมีความเห็นว่ามเมฆดี่ติดทองฟ้าสอฟ้าสีเขียวแล้วที่เรียกว่าสีฟ้านั่นคือฟ้าเมฆเป็นลายจิตท้องฟ้าจริงๆแต่พอเราขึ้นเครื่องบินไปก็ลื่นผ่านเมฆไปแล้ว <c oughs> ทางควาฟก็จะสุดไกลแสงไกลสุดลกตาของเราความจริงมันไม่ได้คิดกันเลย การดินดินเหนือเมฆคล้ายแสงไกลมากมองดูแมฆคล้ายๆกับเพื่อนดินหรือไม่บนผนังทะเลแเส้นทางฟ้าก็ยังสูงตามเดิมข้อนึ่งเชนใดการมองสิ่งที่ไกลมันไกลจากการอาจเห็นที่ใกล้ได้ฉะนั้นโลกและุกก็เหมือนกันที่เขาเลยกันว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แต่ความจริงไม่ไกลถ้าไะวักันไปจริงๆก็ไกลจากแสงไฟที่ห่มห่อดวงอาทิตย์ห่าง นับเป็น ล, าๆๆล e ้านล้านยอดหรือล้านล้านล้อนล้น้านใหม่อะไรกันเนี่ยเวลานี้ยอดเข้ามชัยนับเป็นล้านร้านล้านไกลมากไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแต่ด้านหัวจอก็หาแา่ด้านดวงอาทิตย์แล้วก็ไม่พิกไปก็เหมือนกับโลกของเราที่เราอยู่เหมุนในโลกกลางหัวปักในโลกเดิมฉะนั้นด้านหัวคนดาวพุธยังมีแต่ความรร้อน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อนบ้างและเย็นบ้า ง, งร้อนอย่างเดียวยถ้าว่าถ้ายามร้อนจะเผาไปเผาแดงโชนแล้วไม่ก็ตกบว่าไม่เพราะขนาดนั้นมันร้อนแยกขามาบเป็นไม้ขึ้นเลยได้แล้วขมับสิ่งที่มีชีวิตเกิดอยู่ไม่ได้มันร้อนจัดถ้าเข้ามาถึงตอนกลางกลางข้องโดนดาวแล้วโลกกระหดดาวไปพหดก็ได้หลือกระหก็ได้ตอนนี้จะมีความร้อนน้อย เลยกลางเข้าไปนิดหน่อยเริ่มมีความอุ่นเลยเข้าไปมากหน่อยเริ่มมีความย เ, าเา ย, ย็นเลยก็ไปสุดท้ายเย็นเฉียดเป็นนําแข็งแช่ไ ม, คมนน้ความวันหนาเฉียดเกลือความร้นโลกพระพุทธเมื่อดาวพระพุทธเป็นดาวรู้เราจะรู้ได้ในสองเการรู้แต่ละความร้อนและความเยิงความแข็งของด้านหัว ็นที่ไมพึงทสมัยของใครทั้งหมด <c oughs> คนก็ไม่ต้องการใส่เข้ามาต้องการแม้แต่ต้นไม้มนหนชีวิตก็ไม่ต้องการขึ้นม่ได้แั้แต่พม่ า, า ก, กลางกลางต้นไม้หายากแล้วคว่าความใจความร้อนหมดไปมากก็เลย้องขมับเที่กวตะวันออกกลาง <c oughs> ไม่มทานน่ต้นูแล้วคืจะอจมีความสาคัญถกตนนั้นน่ะ เราพวกคนเดียวว่ามีใครกัดคอลูกรักใครจะว่าผิดก็ช่างเขาเราล่าเราถูกก็แล้วกันมันก็หมดเรื่องเรื่องความว่าตังกลาล้นจับต่ล้อมนิดงด้านหัวถ้าจะเริ่มเริมมีกระแสน้ํานิดๆแต่ว่ะไร า, ห า, า, า, าเหยียบล้ำในทะเลคนบาปพุทธโลกพุทธในตอนนี้ก็ยังกินกันไม่ได้แคะมีคลื่นจากกระแสดินแล้วก็ทราย มันเค พ, พิ่มแอะไรก็ไม่สอาดแค่เครือไปใส่ก็ไม่ชะอาดย่งกิงกันไม่ได้น้ำไม่คนได้กินเลยกลางเขไปคิดว่าวัดอะไรกั น, กนหนึ่งในสามขันดาบระพุธเป็นสถานที่เราไม่ต้องการนับจักวัวก็ามาขอโทษนะสองในสามขั้นดาบระพุตนับจักัวโลกก็มาเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการคือแกล่งคือเครื่องคือความร้อนไ ม, ม่อะไรดีเลย เลยจะไั่ไปเหลือตอนท้ายหนึ่งในสามของโลกกระหุธเริ่มเย็นกับพิถีกันน้อยและน้อยในที่สุดก็ยืนเฉียบด้านใจโลกขั้นสุดท้าย <c oughs> แต่ไอนะ้คั่วโลกเหนือของเรามันยืนเสียบขนาดนั้นน้ําเป็นน้ําแข็งเรื่องร่างก า, ายใครตัวละไม่ใน่สาดอีกเป็นน้ําแข็งแต่เวลาเมื่อแสงอาทิตย์สาดมาไม่ค่อยจะถึงแล้วแสงสว่างถึง แต่ความร้อนที่มีความสำคัญมากที่สา ม, มารถทำลายน้ําแข็งได้มันไม่ถึงเส้นที่เป็นน้ําแข็งก็ตกเป็นน้ําแข็งไปตามเดิมความเยืนกเย็นยังแรงกดตามเดิมไม่รวมความว่าเรามาโลิกลพุธลกพุทธแต่วาลกรู้เราก็เริ่มรู้เมื่อโลกแคะพุทธนี่คืแต่ความร้อนและความเย็นในเรื่องความร้อนเป็นเหุ่นผ้าฝ้ายสิ่งที่มีชีวิตและพืชพัธนธุ์ต่างๆ ได้ความเย็นละลูรัก <c oughs> ความอื่นและความเยืนเป็นตัวสร้างสิ่งที่มีชีวิตจะเพืพันธุ์ต่างๆอย่างในประเทศไทยเราในประเทศอินเดียยังให่เกี่ยวความร้อนเป็นประเทศสซสซอร์รนแตไม่ร้านเกินไปพวกเราก็มีต้นไม้มีป่ามีก็มีแม่น้ำมีทะเลมีถ้ามันลึกแต่ดีมิต้สัตว์ ก็เรื่ความว่าโลกพุทธก็เช่นเดียวกันแต่นี้เราจะมองดูตามจินตนาการท่านหนูฟังได้ท่านานอ่านจะโปรจะลืมว่าที่เล่ามาทั้งหมดจยห้ามถือเป็นตำบาเพราะเป็นเรื่องของนิทานเอาจินตนาการคือคิดการทาการคิดมีเหตุผลในเรื่องเมื่อโลกพุทธเป็นสมขุขเป็นโลกที่ให้ความสุข เสียงที่จะหน่วยความสุขในโลกพนุษย์มีหรืไม่จุไรก็มองดูไปลูกรักเส้นพระจะบอกว่าจุไรลูกรักตอนนี้เสียงไม่ดีนะลูกนะเพรว่าตอนกลางวันป่วยวตอนบ่ายรับแขกเสมามันแข็งตึงคอตอนนี้คลายตัวลงนิดหนึ่งแล้วเสียงก็ไม่มีความสําคัญเอาเรื่องก็แล้วกันเป็นกล่าวว่าจุไรลูกรักมองดูต่อไปสิลกูกในโลกจำพูคือโลกมนุษ ท้านเล่ากันว่าโลกพุไม่มีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าถ้าโลกไหนก็ตามทีที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีต้นไม้ต้นยานอกตามในโลกนั้นต้องมีสิ่งที่มีชีวิตถ้าจะไม่มีชีวิตจริงๆก็ต้องจำยังโลกพระจันทร์และโลกแลงคันโลกพระจันทร์ความจริ ง, รงแลน่าจะมีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่ามีสภาพแปรเกินไปอากาศน้อยเกินไป พื้นโลกแรกคันร้อนร้อนมากเกินไปมีได้สองอย่างไม่ได้เมื่อโลกโลกโลธไม่เป็นดินลูกศรไม่เป็นหินมองดูพื้นผิวของโลกมันเป็นดินบางส่วนจะเป็นหินบ้านก็เมมือนโลกเรามันเป็นหินน้อยๆไม่มีความสําคัญแต่ถึงเกลื่อนดิงเป็นดินได้ดีได้ดีมากช่วงหน้าของโลกโลธเป็นดินเผาที่มีความสุข มีกลิ่นหอมเมื่ถูกน้นําำจะน้ําไปในถึงแนมตอนหลังตอนหลังไปเลยตงกลางไปแล้วมีความชุ่มชื้นมากฉะนั้นลงดูดินตอนหลังจะมีเป็นสีดํามีความชุ่มบริเวน้ำยิ่งตอนปลายจะชุ่มมากในเมื่อมีดินเชุ่มจะไล่โรครัฐดูต่อไปเห็นหรือยังมีต้นหญ้ามีต้นไม้ใหญ่ มีต้นไม้ที่เป็นอาหารได้จุฬาก็ตอบว่าหินายเจ้ขาข่ะจึงก็เลยนํามาตอนท้ายของโลกปรพุทธว่าจงดูตอนท้ายสิมีอะไรบ้างเขาตอบว่าตอนท้ายท้ายมีสภาพหนาวจาัดมีมะมา ก, ม, ากมีสภาวะเป็นน้าแข็งเยอะท่านก็ตอบว่าถูกน้ำส่วนท้ายทั้งหมดเป็นน้ำแข็งทั้งหมด ก็เลยกลัวว่าเดินมันน้องแข็งกันได้ไม่ต้องกนั้อแข็งว่าลายแล้วไม่ต้กลัวต้อแข็งที่มันแข็งจริงๆเรื่อชมไปรอบๆก็ทราบสภาพการเข็งจริงๆต่อมาพระท่แนะนำโยไรว่าโะไรลูกหรักลงไปส่วนหนึ่งในสามของโลกพระพุทธด้านท้ายน้อยใกล้จะไปดวงตาจริงชัดโยไรก็ปฏิบัติการนั้น เป็นลอยอยู่เหนือเพื่อนโลกประมาณหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็ถามว่าเห็นอะไรทุกอย่างเทพก็ตอบว่าเห็นทุกอย่างเจกอย่ะงเป็นหญ้าเล็กๆก็มองเห็นเป็นไม้ใหญ่ก็มองเห็นใต้คานบ้านเลยก็มองเห็นถนนเข้น ท, ทางก็มองเห็นแม้โลกนี้จะมีความสุขเหลือเกินเป็นไม้เสอยชื่อไปหมดหาที่แห้งแกร่งเป็นแรง จ, จัดในโลกมนุไม่มี โลกนี้น่าจะมีความสุขถ้าพุาธบอกว่าถูกแล้วเมื่อโลกพุทธเป็นโลกสมแล้วก็ตามาตามพระเสวยเลิกองโหราศาสตร์ก็จะว่าถ้าพระพุทธเสวยอายุบุคคลใดบุคคลนั้นจะมีความสุขแต่เมื่อโลกพุทธจริงๆก็เป็นโลกที่มีความรู้ก็ต้องมีความสุขถ้าอย่างนั้นจุนลายลูกร้ตกลงไปตามเราไปยืนใกล้พื้นดินแต่ไม่ต้องลองดิน เพาเดินที่ดินเราเดินช้าเราได้าอากาศเป็นประการแทบเว้นที่เคลื่อนที่ก็เราเราไปอยู่ไวการกําลังใจนึกแยกเขึ้นลงมาตาแล้วท่งนถามว่าทไเร่เห็นอะไรในโลกแยกก็จกับทนไหวเห็นเจ้าข่าท่านถามว่าเห็นอะไรที่ไรมองเห็นท่านหนุนท่านหนุสวยสดก็งามมากแยกคันหลังใหญ่คายสล่าวัด มุมกระเบื่อนดงจัดสีสดสวยได้เรีมีบ้านคนเป็นที่อาศัยแต่ดูที่นาสงสัยแว่นเรียนหลังใหญ่ที่พี่เรียกว่าคลายสลามมัเป็นแบบทรงไทยมองลงไปแล้วก็มีสวนด้วยหมากต้นไม้มีต้นกล้วยมีต้นอ้อยมีมะพร้ามมีทุกเสียงทุกอย่างตามที่โลกมนุษย์เรามีเธอกลับไปทูลถาม อ, อางค์สมเด็จพิะจุลศรีว่าโลกนี้เหมือนโลกเราแล้วเจ้าค่ะ แ ต, แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคลายโลกเราจาว่าเหมือนไม่ได้เพราะโลกนี้โลกนี้ก็มีความสุขโลกชมพูที่เราอยู่มากหลังจากนั้นฉันก็ไพูดหนมือผ้ากระสุงจัดว่าจุไหลูกรักเราคุยกันเพลินไปนล่ซึ่งเวลาไปสามสิบนาทีต่อไปนี้พ่อจะของให้สักนิดหนึ่งเป็นการให้น้ำพักผ่อนสักหน่อยหนึ่งคนตังก็จะเมื่อยคนอ่านก็จะเมื่อยพักสักนิดนึ่ และต่อไปธรณะต่อคนใหม่เขาแตอนนี้กขกคว า, าควผลผลยฝุ่สวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลเจ้มมีอแดลูกักประัดทังทุกคนสวัสดี